ใบคอวันนี้มาอ่านแทนบอกอกลังชนชั่วคราวนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาอ่าน 7.8 ริกเตอร์ ที่แรงขนาดที่ว่าแรงขนาดสาธรระระ 80% ระบุว่าเพราะ ระเบิดภัยทาง 2 เหตุการณ์ในช่วงนี้จึง จากเสียงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพราะคิดว่ายังเป็นเรื่องไกลตัวชีวิตประจําวันของๆสื่อว่าส่วน ถ้าเกิดแผ่นดินไหวอย่างน้องๆเมืองจีนเกิดแผ่นดินบางก็ว่าอย่างๆเมือง แผ่นดินส่วนนั้นส่วนนี้ของๆคือ ไม่วันสุดท้ายของตัวจะมาถึงรวดเร็วเช่นนี้ไม่มีใครรู้ร่วงหน้าว่าธรรมชาติจะหยุดเวลาในชีวิตมนุษย์ของเราลงเมื่อใดเวลาใดบางคนคิดว่าก่อนก็คิดวางแผนรับมือเช่น ถ้าเกิดน้ำท่วมกรุงเทพเกิดน้ําท่วมกรุงเทพฯจะไปปลูกบ้าน ไอ้คนจะเริ่มเตรียมการวางแผนหาทางหนีที่ มีทั้งที่เป็นคนในพื้นที่ภัยพิบัติได้ยินผมไปนะแต่แน่นอนว่า เมื่อไม่รู้ว่ามัจจุราชจะมาเยือนเราเมื่อไหร่วินาทีใด หรือศึกษาจากผู้รู้จริงรู้แจ้งศึกษาจากผู้ว่ามีความสว่างเป็นที่ไปแน่นอนจริงรู้ว่าการ ก็คงหนีไม่พ้นการมีปัญญาเห็นชอบคงหนีและสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นสมบัติถาวรของเราหรือของใครการมีปัญญาเห็นชอบ เป็นสิ่งมีค่าสูงสุดนั่นแหละมีค่าไม่ได้อยู่ที่ว่าสุดนั่นแหละถ้าทีการเตรียมหรือ รอเวลาจะตายนั้นจิตจะทบทวนให้ ว่าคนเราเดี๋ยวนี้คิดๆที่ เมื่อรู้เครดรับอย่างนี้แล้วว่า ที่จะไปสั่งให้จิตคิดดีจะไปสั่งให้จิตคิด นั่นคือความมีใจทานศีลๆว่าทานภาวนานั่นเองและสิ่ง ด้วยการเจริญสติตามว่า เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราต้องซ้อมไว้ให้ดีรู้ว่าไม่ใช่แค่ฝึกเพื่อจะเตรียมตัวตายอย่างเดียวฝึกที่จะอยู่อย่างมีคุณภาพด้วยบางครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าฝึกไว้นะไหร่จริงๆท่านก็พูดถูกซ้อมๆจริงๆ มีประโยชน์ตั้งแต่ปัจจุบันไม่ใช่ต้องรอให้ตายก่อนมีสติในปัจจุบันแต่ปัจจุบันไม่ใช่ๆยังมีให้เรายืนอาศัยอยู่มีให้ เพราะเราไม่หารู้ได้เลยเมื่อไหร่ๆก็อาจตายไว ยังมีกําลังพอที่จะศึกษาธรรมะของ มีคนปล่อย 2 ผู้ที่สำสมกำลังจากการเจริญสติไว้ และก็แปลว่าการเปลี่ยนแปลงของว่าทั้งปัจจุบันและ ต่อ 43 นี้นะคะนะคะวันนี้อยากชวนบาน มากกว่ารายเส้นๆที่เห็นนะคะนั้นๆจะมีเรื่อง เรียกว่าเป็นๆเลยค่ะว่า The Star และ Academy Fantasia Over The Rainbow สาย ในความฝันนั้นห้อมหวานแก้แล้วสุดท้ายจากคือสัจธรรมที่แท้จริงความฝัน 4 สํานีรถไฟฟ้าๆ contactphp ตอนนี้ วัดธรรมสถานหาซ้อนแก้วจังหวัดเพชชบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 เตรียม 50 เซนติเมตรประธานเตรียมพระ 90 เซนติเมตรสมาธิขนาด 10 ขนาคารอาหารไทยสาขารุงพยาบาลสมเด็บพระบินเกล้าชื่อบัญชีวัชรธรรมสถานเลขที่ 0402336242 สอบถามข้อมูลได้ที่มูลนิที่ดวงแก้วโทร 02 776 ค่ะ ทีมงานผู้ตอนนี้ทําโครงการวิจัยเช่นที่ All Season แต่ไม่ได้บอกชื่อบริษัทไม่ได้บอกชื่อบริษัทหรือชั้นที่ทํางาน